อิติปิอิติปิอิติปินี่ท่านผู้ฟังกําลังฟังอยู่ในช่วง ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นป้าหลานตัสสโรชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาฉารณะไป นะพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นพระอรหันต์แต่คือโสภกวัณนะไล่ไป เอ่อทีนี้ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงในที่พระว่าให้ระลึกถึงพระองค์นะด้วยบทนี้นะอ้าวจะระลึกถึงพุทธเจ้าทํายังไงไหนมีคนไปถาม เป็นคนที่มีวิชชามีจรณะมีข้อปฏิบัตินะสอนคนอื่นได้แสดงธรรมะเป็นเป็นที่พึ่ง when ความอิติปีเนี่ยจึงต้องได้รับการขยายความว่ามันคืออะไรเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนอย่างไหนเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมัน ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นโสดาภิวาใครสักคนแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองเรื่องแล้ว เกิดเป็นมี 500 ชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็ 6 ที่จะมา มาเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธและทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นขึ้นมา ไม่รู้เป็นศาสดาสมฤเจ้าเนี่ย e 45 ปีนะ 45 ปีในแต่ 45 ปีนี้ยังไม่จบนี้ 2600 กว่าปีปีคิด จนกระทั่งกว่าที่ทุกคนจะลืมจนเวลาเราฟังเรารู้เราดูกว่าที่ทุกคนจะลืมและเป็นคนสุดท้ายว่าไอ้อิติปิคืออะไรนั้นแล้วไอ้ตอนที่บรรลุแล้วเป็นคือสอนอย่างที่ แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะเหตุอย่างคนใดคนนั่นก็คือการที่บําเพ็ญบารมีในอดีตชาตินี้จึงจะขอพูดถึงความเป็นพุรุชา นั่นถึงได้มีบุญบารมีมากมายถึงขนาดนี้เรื่องง่าย 7 ปี 7 ม, นะ, 7 ปีเต็มๆนี่ แม้ชั่วโมง 1 ที่ทํานั้นก็ไม่ได้ 7 ปีนะนะคํา 7 ปีในที่นี้คือหมาย 7 ปีนั้นทําได้นะ นะคือมันเคยมีลัทธิอย่างนี้มีความคิดอย่างพวกเอ่อพรหมบางประเภทเนี่ยว่าพอเอาตัวเองอุบัติขึ้นในชั้นพรหมเนี่ยไม่มีใครเลย อย่าไปถามเค้าดูซิว่าที่นี่มันคือที่ไหนแล้วเค้าทําอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มาถึงคนแรกเนี่ยฉัน มันเป็นอย่างงี้แต่จริงแล้วในในพรหมโลกนั้นทีนี้หลังจากนั้นอื่นๆตามมาคือเรื่องของ ที่จะเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างและมองเห็นมีอำนาจเบ็ดเสร็จหมดคร 36 ครั้งนะอันนี้ 15 นาทีหรือคร 15 นาที ใน 85 นาทีนี้มันก็ใน 15 นาทีแต่ละนาทีนั้นก็ไม่ได้ทุกวินาทีนะที่ฉันมีสติอยู่กับลมหายใจนี่มันก็เราจึงต้องคอยที่จะมา น่าสนใจคือตอนนั้นเคยเกิดเป็นอ่าเป็นพราหมณ์นะเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อจุลโพธิพราหมณ์ชื่อจุลโพธินี้ น่ะจึงเห็นโทนในวัตตสงสารเลยจะไปออกบวชด้วยกันแล้วบวชด้วยกัน เอ่อพฤษัตต์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นภริยาของ นะพรหมก็ความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นนะก็ไปฉุดคร่าไปโดยพละการนะสวยก็สวยแต่ว่าเรา ก็ลดขึ้นนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะดับทันทีนั้นดับทันทีเนี่ยด้วยล่ะนะ เกี่ยวข้อดื่มสุราข้อสัมมาวาจาที่เหลืออีก 3 มีใส่เข้าไปฉะนั้นวาจาหยาบก็อยู่นั่นแหละขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะทําลาย เดี๋ยวเราคิดว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันมีเกียรติได้มีเกียรติคุณดันไปผิดศีลน่ะโอ้โหแย่เลยนาง แต่ว่าเพราะรักสัพพัญญุตญาณท่านผู้ฟังรักสัพพัญญุตญาณนั้นจึงประกครองศีลเอาไว้นั้นตามรักษาศีลเพื่อที่จะรักษาสัพพัญญุตญาณอยู่ข้างหน้าได้คือมองเห็นว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรอะไรสําคัญ ที่เราเป็นยังไงนะมีความเป็นอีติบิบ้างมั้ย